ในสมัยก่อนเนี่ยมีแพ้ท้องแปลกแปลกแพ้ท้องอยากจะกินอาหารในราชวังใครเคยแพ้ขนาดนั้นไหมไม่มีนะลำบากลำบากจริงๆพ่อก็บไอพ่อสามีเนี่ยนะตนะ้อบอกทาไมเธอแพ้ท้องอะไรอย่างนี้จะไปหาได้ยังไงก็มันแพ้อย่างเงี้ยอยากจะกินอยากจะกิน ถ้ไม่กินมันไม่มีความสุขนะแล้วเราก็ไม่มีความสุขกันทั้งครอบครัวเลยนะแม่ก็ไม่มีความสุขพ่อไม่มีความสุขทําไงดีเห็นพระท่านก็ไปบินธบาตเห็นพระไปบินธบาตในวังงั้นเราก็ปลอมตัวโกนหัวหน่อยนึงเดี๋ยวนี้ง่ายนะทรงสกินเฮดเนี่ยฮิตใช่ไหมไม่ยากสมัยก่อนกนะ็โกนหัวเลยห่มจีวรหาบาทสักใบหนึ่งไปไปบินธบาตอยากได้อาหารในวัง เพื่อให้ภรรยากินเพื่อให้หายจากการแพ้ท้องไปบินกลัว้าจับได้กลัว้าจับได้ว่าเป็นพระปลอมเดินสำรวมไม่อย่างศบตาพระราชากลัวจับได้เหลือบตาลงต่ำสำรวมมากเลยพระราชาใสมาดีใจนะใจเต้นตึกตึกตึกตกดีใจแต่ไม่กล้าแสดงออกกลัวจับได้กลัวถูกจับได้เดินไปตอ๊ตอปๆๆไปเรื่อย พระราชาสังเกตดูโอ้ oh, โหองค์นี้สำรวมมากเลยไม่เคยเห็นใครสำรวมเท่านี้เลยสงสัยว่าท่านเนี่ยจะต้องสำเร็จมรรคผลขั้นใดขั้นหนึ่งแน่ๆเลยอมัดไปดูตามไปดูทีสิ <im> ท่านองค์นี้เนี่ยอยู่ที่ไหนเป็นเทพหรือเป็นพรมหรือเป็นคนหรือเป็นพญา น, นาคถ้าเป็นพญา น, นาคนะหายไปแล้วพ้นจากกำแพงวังแล้วเนี่ย ท่านคงจะมุดลงดินทําไมมุดลงดินไม่รู้นะมีบาดาลอยู่ข้างล่างใช่ไหมถ้าเป็นเทวดานะคงจะเหาะขึ้นไปแต่ถ้าเป็นพระเป็นคนปกติก็คงจะเดินไปเรื่อยๆช่วยดูทีช่วยดูทีทป่หมา ก, ก็ตามไปดูสะกดรอยตามสะกดรอยตามไปปรากฏว่าพระองค์นั้นก็ค่อยๆเดินค่อยๆเดินด้วยความสํารวมตัวเองไม่รู้เรกาก็มีใครเดินตาม กลัวอยู่แต่ว่าเขาจะรู้ไม่ว่าเราเป็นพระปลอมก็ค่อยๆเดินค่อยๆเดินไปเรื่อยๆย่องไปย่องไปจนถึงพ้นเขตประตูวังดีใจฮได้แล้วอาหารสำหรับเมีย <c oughs> อาหารชาววังจะไปให้เมียกินดีใจถอดจีวรทิ้งแขวนเอาไว้ที่ต้นไม้แล้วก็เอาบาทเดินกลับบ้านรีบวิ่งด้วยนะปุ๊บ๊บบบ๊ใครจะเอาจีวรไปใช้ต่อกะช่างก็ไม่เป็นไร อมาดมาเห็นแล้วโอ้ทำไงดีเนี่ยเราจะไปรายงานพระราชายังไงดีก็เลยกลับไปหาพระราชาพระราชาถามเป็นยังไงพระองค์นั้นไปทางไหนหมุดดินหรือว่าเหาะไปหรือว่าเดินไปเฉยๆอมาดบอกว่าพระรูปนั้นพอออกไปแล้วจีวรหายไปเลย คือจีวรอนนะหายจากตัวเขาจีวรหายวับไปเลยไม่เห็นอีกเลยแล้วก็ไปเลยหายไปเลยไม่ได้โกหกนะไม่ได้บอกว่ามุดดินไม่ได้บอกว่าเหาะไปแต่บอกว่าจีวรเนีหายไปคือเปลืองจีวรทิ้งไปเลยแต่ไม่ได้อธิบายขนาดนี้บอกจีวรหายไปเลยพระราชาโอ้โหเลอาศาัศจรรย์ขนาดนั้นใช่เหรอโหวันนี้เราได้ทำบุญกับพระดี อย่าง น, น้อยๆเขคงจะเป็นพระอริยะขั้นใดขั้นหนึ่งแต่น่าจะเป็นถึงขั้นอรหันเลยนะบอกบอกตัวเองนะโอ้ดีใจมากตัวลอยเห็นจีวอนได้ยินว่าจีวนรนลอยแล้วก็ตัวเองลก็ลอยด้วยดีใจทําบุญจนกระทั่งไปสวรรคตแล้วไปสวรรค์จริงๆสวรรคตคือไปสวรรค์คตะคือที่ไปสวรรค์คือที่ที่เทวดาไปอยู่สวรรคตคือไปสวรรค์พอสวรรคตแล้ว พระราชา อ, องค์นั้นเนี่ยไม่มีไม่มีลูกไม่มีไม่มีโอรสไม่มีทิดาเขาก็เลือกเขาก็เลือกอมารานั่นแนะ่ะมาเป็นพระราชาอมาราที่เป็นพระราชาองค์ใหม่ก็ใส่บาทเจอพระสำรวมมากๆอีกองค์หนึ่งโอ้องนี้เราเคยเห็นแล้วสงสัยพระไม่ดีใส่ไปก็ตนิไปสา่ไปก็ตนิไปเนี่ยพระปลอมพระปลอมชัว พระที่สำรวมก็บอกว่าเป็นพระปลอมพระที่ไม่สำรวมก็ไม่ไม่ศรัทธาแต่ว่าทำตามประเพณีใส่บาทไปก็ต้นิพระไปตายไปแล้วชาวบ้านก็เรียกวสวรรคตแต่จริ ง, รงตกนรกเพราะว่าอาการตักบาทเหมือนกันแต่จิตไม่ไม่มีความเลื่อมใสไม่มีความศรัทธา ทำบุญกับพระปลอมไปสวรรค์ทำบุญกับพระจริงไปนรกโอ้ลาบากานั้นอยู่ที่ใจนะอยู่ที่ใจมีศรัทธามากน้อยแค่ไหนเวลาทาเอไม่พูดถึงเรื่องนี้ถึงเรื่องแพ้ท้องพอเข้าใจนะพูดมาเพื่อที่จะขยายความแต่ก็ไม่ได้อัดระรดเท่ากับไปฟังที่ท่านแสดงเอาไว้จริงๆ ถ้าไปฟังแล้วหลับก็ไปอ่านหนังสือแนะนาไม่อ่านเรื่องนี้นะชีวิตนี้น้อยนักเราจะได้คติเตือนใจท่านถึงกับบอกว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้สูญหายพระพุทธเจ้านะีนะไม่ได้สูญหายมีเหมือนเป็นพลังงานอยู่ถ้าใครคิดว่าพระพุทธเจ้าประลิงถานแล้วสูญเป็นมิจฉาทิฏฐิประเภทหนึ่ง ดังนั้นเวลาเราเ ล, ลึกถึงพระพุทธเจ้านะพุทธังสระนังคัจฉามิมีผลนมโมตัสสะพระคัพโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธสัมมีผลนอบน้อมแด่พระพุทธเจ้านะลาตั้งนมโมขึ้นมาเนี่ยทำจิตนอบน้อมจริงๆนะให้ตั้งนมโมสามจบให้นมโมสามจบให้ครบจริงๆไม่ใช่นมโมนมโมนโมนโมทีธามไม่ได้ อ๋นโมตัสสะพระวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธสัคนโมคือตั้งจิตนอบน้อมตัสสะคือตอบพระองค์นั้นพระกวะโตคือพระผู้มีพระภาคพระผู้มีพระภาคก็คือพระวัโตนี่เป็นคําบาลีที่คนในยุคนั้นเนี่ยจะนับถือใครจะใช้คํานี้นับถืออย่างสูงสุดเลยนะจะใช้คํานี้แล้วเราก็เรียก แปลแล้วก็แปลจากพระคัะรโตเนี่ยมาเป็นภาษาไทยว่าพระผู้มีพระภาคจริงแปลแท้จริงๆแล้วจะมีอยู่แค่ว่าผู้มีภาคพระควมโตเนี่ยนะผู้มีภาคแต่พอหมายถึงพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยเราก็ต้องใช้คำว่าพระด้วยเนี่ย <Yeah. S 1> เพราะว่าจะยกย่องว่าเป็นผู้ประเสริฐพระแปลว่าผู้ประเสริฐพระผู้มีภาคพระผู้มีภาคก็ไม่เพาะก็ต้องเป็นพระผู้มีพระภาคแล้วท่านก็ เป็นวง ก, กษัตริย์ก็เลยพระผู้มีพระภาคเจ้าแปลแล้วยาวมากเลยใช่ไหมพระผู้มีพระภาคเจ้าหมายถึงท่านสามารถจำแนกแจกแจงธรรมะออกมาให้คนนี้แบบหนึง่งคนนี้แบบหนึง่งให้เหมาะสมกับคนแต่ละคนต่อยอดคนนี้เคยทํากรรมฐานมาถึงตรงนี้ต่อยอดคนนี้เคยทํากรรมฐานมาด้านนี้ต่อยอด พระองค์แสดงธรรมแล้วเป็นอัศจรรย์มีปาฏิหาริย์ก็คือใครที่ฟังธรรมของพระองค์แล้วจะเจริญขึ้นถ้าฟังด้วยความศรัทธานะตั้งใจฟังฟังด้วยความศรัทธาปล่อยจิตน้อมไปตามธรรมะที่พระองค์ทรงแ ส, สดงมาเห็นตามรู้ธรรมตามเห็นตามเก็บเกี่ยวเอาประโยชน์เก็บเกี่ย ว, ป ร, ยยวประโยชน์จากธรรมะที่พระองค์ทรงแ ส, สดงอย่างเต็มที่แล้วเนี่ยใครทาพื้นฐานมาดีแค่ไหน จะได้รับผลประโยชน์สูงสุดเท่านั้นบางคนได้เป็นพระโสดาบันบางคนได้เป็นพระสกิทาคาเป็นอนาคาบบางท่านเป็นพระอระหันต์บางท่านพื้นฐานมีมาไม่พอได้ศรัทธาได้ศรัทธาแน่นแฟ้นไม่คลอนแคลนยึดมั่นในพระรัตนตรยัยนี่ก็มีประโยชน์มากสําหรับเขาแล้วทำทำบุญต่อไปในชาติหน้าต่อไปในชาตินั้นเองก็ทําบุญต่อไปสร้างสมพื้นฐาน ให้แน่นแฟนมั่นคงต่อไปแสดงว่าบุญที่ทำมาก่อนยังไม่พอยังไม่มากพอทําอีกต้องทําอีกแล้วก็แนวทางต่อไปของเขาจะสู่สู่ที่หมายที่ดีแน่นอนเพราะว่าได้ฟังธรรมแล้วมีศรัทธามั่นคงแน่นอนแล้วละอายต่อบาปแล้วไม่ทําบาปอีกแล้วเราก็ต้องอย่าอย่าอายชาวพุทธในยุค พุทธการยิ่งต้องระวังยิ่งต้องสํานึกได้ว่าภัยมีอยู่รอบตัวถ้าเราไม่ปรับปรุงไม่มาเห็นความน่ากลัวในสังสารวัตรในยุคนี้มันจะมีความน่ากลัวในการเกิดการตายยิ่งกว่านี้อีกยุคนี้แล้วว่าน่ากลัวแล้วนะคนฆ่ากันง่ายๆเลยนะยุคหน้ามันยิ่งง่ายกว่านี้อีก มันจะมียุคถึงขั้นที่เรียกว่ามิคขสัญยีเคยได้ยินคำนี้ไหมมิคขะแปลว่าเนื้อเนื้อคือหมายถึงพวกสัตว์ประเภทเก้งกวางพวกนี้มิคขะมิคทายวันสวนกวางส่วนที่ให้อาหารกวางมิคขะมิ ข, มขสัญยีสันยีคือสัญญาหมายรู้ยุคที่คนมองคนด้วยกันเหมือนเหมือนเนื้อ เหมือนในพรานเห็นเนื้อยิงเมื่อไหร่ก็ได้ถ้าเป็นจำนวนไทยก็เล้วเห็นคนเหมือนผักเหมือนปลาฆ่าแล้วไม่รู้สึกว่าผิดฆ่าแล้วรู้สึกว่าเป็นปกติยุคนี้ใกล้เคียงแล้วใช่ไหมใกล้เคียงแล้วจริงๆบางคนบอกว่าเขากําลังใบ้หวยอี ก, อกแบบหนึ่งใครซื้อเจดเก้าบ้างเขายิงเอ็เจ็เก้าใช่ไหมแล้วกำลังใบ้หวยอยู่ รู้สึกมันใบ้ทุกงวดเลยอ่ะเลขดีออกทุกงวดด้วยวยุคต่อไปเนี่ยจะฆ่ากันง่ายกว่านี้ถ้าเรายังชะล่าใจไ ม, ไม่ทำชาติพบให้สั้นเข้านะจะต้องมาเกิดในยุคที่น่ากลัวอย่าง น, น้อยๆเราสวรรคนคตกันนะไปสวรรค์กันก่อนไปแขวนไว้ก่อนถ้ากลัวจากการเกิดเป็นคนในยุคที่น่า น่ากลัวอย่างนั้นโหดร้ายขนาดนั้นไปเรียนตอนเป็นเทวดาตอนเป็นเทวดาถ้าไม่มีพื้นฐานตอนเป็นคนนะเป็นเทวดาแล้วจะเพลินเพลินกับความสุขแห่งโลกทิพย์โลกทิพย์ไม่ใช่นังสือนะโลกทิพย์คือโลกของเทวดาเพลินในความเป็นทิพย์สวยงามก็สวยผิดมนุษย์แน่นอนต้องผิดมนุษย์ก็เขาเป็นเทวดา เสียงก็เสียงเพราะผิดมนุษย์เสียงทิพย์ถ้าไม่มีพื้นฐานจากการฝึกในความเป็นคนในยุคนี้เกิดเป็นเทวดาก็เพลินเพลินเสร็จหมดอายุตกปุ๊อาจจะไม่เช่นคนก็ได้ดูอย่างพระพมองค์นั้นยังกลายเป็นหมูมากินคูดกินอุนจินั้นสร้างความมั่นใจในคติของเราก่อน ก็คืออย่างน้อยๆต้องไม่ผิดศีลเดลึกได้ว่าการกระทำอะไรของเราก็แล้วแต่จะออกทางกายทางวาจาหรือแม้แต่คิดทางใจถ้าคิดไม่ดีและให้รู้ทันอย่าให้แสดงออกทางกายทางวาจาไปผิดศีลไปละเมิดคนห้าประการด้วยกันไม่ไปทำร้ายเขาจนถึงฆ่าฆ่าเขาไม่ตายแค่ทำร้ายก็ผิดไม่ไปขโมยใครไม่ถึงขโมยทำให้ของของเขาเสียหายก็ผิด ไม่ไปละเมิดคนรักของใครแม้ไม่ละเมิดถึงขั้นฉุดกระชากลากถูมาหรือร่วมประเวณีของเขาแค่พูดแทะลมก็ผิดบางคนแทะลมได้สายตามีไหมใช้สายตาแทะลมก็มีนะระวังให้ดีผิดคิดในใจให้รู้ทันพูดผิดจากความเป็นจริงนี่สินขาด พูดแล้วเขาเจ็บใจพูดแล้วเขาแตกแยกกันพูดแล้วเขาเสียเวลาผิดงงไม่พูดแล้วเสียเวลาผิดนะเพราะว่าเวลานี้มีน้อยชีวิตนี้มีน้อยชีวิตนี้ควรจะใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ที่สุดอย่าปล่อยให้เวลาสูญสิน้นไปกับการพร่ามพราามในสิ่งที่ไม่ไม่มีประโยชน์ถ้าเราได้ยินได้ฟังคนอื่นพูดในสิ่งที่ไม่มีประโยชน์และเราลาคาญ รำคาญเขาอย่างไงอย่าทําให้เ้าลาคาญเราอย่างนั้นนะแล้วก็อย่าทําตัวให้เป็นพิษเป็นภัยก่บสังคมด้วยการขาดสติมัวเมานะเวลาปกติแล้วของเราเนี่ยก็ขาดสติกันอยู่แล้วอย่าทําให้ตัวเองขาดสติด้วยการไปเสพของมึนเมาคนเมาอยู่ในที่ไหนนะคนที่เขาไม่เมาเนี่ยจะรู้สึกว่าน่ากลัวอันตราย นั่งรถไปอยู่กับคนเมายิ่งคนเมานั้นขับยิ่งน่ากลัวถ้ารู้ว่าไอ้คนข้างหน้าเนี่ยเมาคนขับรถคันหน้าเนี่ยเมาดูไดจากการสายไปสายมาต้องรีบแซงรู้สึกว่าเราเนี่ยอันตรายอยู่ข้างหลังคนเมาแซงไปเจอไอ้คนสวนมาเมาเหมือนกันแย่เลยนั <laughs> สี่ห้านะรักษาให้ได้แล้วก็เจริญสติรู้ทัน ตากระทบรูปเกิดกิเลสตัวไหนให้รู้ทันเสียงกระทบหูเกิดกิเลสตัวไหนให้รู้ทันจมูกดมกลิ่นเกิดกิเลสตัวไหนให้รู้ทันลิ้นกระทบรสเกิดกิเลสตัวไหนให้รู้ทันสัมผัสสัมผัสสิ่งของสัมผัสคนเกิดกิเลสตัวไหนให้รู้ทันใจคิดนึกอะไรเกิดกิเลสตัวไหนให้รู้ทันดังนั้นจะเกิดได้ง่ายสติตัวนี้จะเกิดได้ง่ายเมื่อมัน ทำในรูปแบบในรูปแบบแต่ละวันอย่าลืมนะใครทำรูปแบบทุกวันบ้างมีไหมใครที่ไม่ทำนะให้ทำให้หาเวลาหาเวลานะจัดสรรเวลาของเราในแต่ละวันเนี่ยทำกิจวัตรสิ่งนี้ขึ้นมาสักอย่างหนึ่งคือสวดมนต์แล้วก็จะเดินจงกรมจะนั่งสมาธิก็ได้รวมเวลาแล้วให้ได้สักสิบนาทีเป็นอย่างน้อย รวมเวลาแล้วนะแค่แรก็สิบนาทีเกินกว่านั้นถือว่าเป็นกำไรนะเดินจงกรมก็ได้นั่งสมาธิก็ได้ทาในรูปแบบสวดมนต์ก่อนเวลาเข้าห้องน้ำใช้เวลานานไหมห้องน้ำบางทีเราเข้าห้องน้ำเนี่ยครึ่งชั่วโมงบางคนถึงชั่วโมงบางคนวิ่งผ่านน้ำเราใช้เวลาแต่ละวันเนี่ย ยี่ส่ชั่วโมงนะ่ไปกับเรื่องต่างๆบางเรื่องไม่จำเป็นหรอกแต่เราก็ให้เวลากับมันมากเลยแต่สิ่งนี้เป็นสิ่งจำเป็นเป็นสิ่งจำเป็นต่อการพัฒนาจิตใจของเราดะงนั้นถ้าเราคิดจะพัฒนาตัวเองปรารถนาดีกับตัวเองเมตากับใจเรานี้ให้เมตตาแล้วก็แบ่งเวลาให้ใจบ้างเรารักตัวเองก็ข อ, ขอแสดงความรักกับตัวเองบ้าง อย่าให้เขาหงอยเหงาอย่าให้ใจนี้หงอยเหงาส่งใจกับคนอื่นแล้วบอกว่าฉันรักตัวเองมันรักไม่จริงนั้นให้หัดมาเหลียวดูตัวเองบ่อยๆให้สมกับที่เราบอกว่าเรารักตัวเองหันมาดูใจตัวเองบ่อยๆสวดมนต์เห็นใจลอยสวดมนต์ไปปากพร่ำถึง พระคุณของพระพุทธเจ้าและใจลอยให้รู้ทันใจปากพร่ำถึงพระคุณของพระธรรมใจลอยให้รู้ทันใจบางทีแค่พร่ำถึงพระคุณของพระพุทธเจ้ายังไม่จบเลยเนี่ยใจลอยเป็นสิบครั้งแล้วบางคนเกินกว่านั้นอีกบางทีมากกว่านั้นแต่เห็นสิบครั้งใช้ได้ใจลอยไม่ต้องห้ามให้รู้ทันแต่ใจลอยแล้วยังไม่รู้ทันมันก็ลอยขาดสติไปเรื่อยๆ ตอนพร่ำถึงคำสอนพร่ำถึงพระคุณของพระเจ้าอันนั้นเป็นบุญตอนใจลอยไม่มีบุญแต่รู้ทันว่าใจลอยมีบุญมากกว่าตอนพร่ำสอนอีกพร่ำถึงพระคุณของพระเจ้าอีกเพราะตอนนั้นเราทำตามคำสอนจริงๆเราไม่ได้แค่พร่ำถึงพระคุณของพระองค์ไม่ได้เพียงพร่ำถึงบทมนที่พระองค์ทรงแสดงเอาไว้ แต่เราเข้าถึงด้วยการทำตามจริงๆแสดงออกถึงความเป็นผู้เดินตามรอยพระบาทของพระองค์จริงๆแล้วรอยพระบาทของพระองค์เนี่ยนะเหมือนเราเวลาเดินตามรอยคนเนี่ยถ้าคนคนนั้นถึงที่หมายแล้วเขาจะเดินต่อไหมฮะถ้าคนนั้นถึงที่หมายแล้วเนี่ยไม่เดินต่อเขาจะอยู่ที่ที่หมายนั้นถ้าเราเดินตาม ผู้ที่ถึงจุดหมายแล้วเดินตามไม่หยุดเราก็จะเจอองค์องค์นั้นเข้าใจไหมถ้าเราเดินตามคําสอนของพระพุทธเจ้าเดินตามไม่หยุดก็จะเจอพระพุทธเจ้า<笑><笑>จะเจอพระพุทธองค์ในระหว่างทางก็จะเห็นรอยเท้าชัดขึ้นเห็นรอยเท้าชัดขึ้นมั่นใจในเส้นทาง น, นั้นมากขึ้นมากขึ้นพระองค์ถึงที่หมายแล้วไม่ไปไหนอยู่ตรงนั้นแหละหน้าที่ของเราคือเดินตามรอยพระบาทไปเรื่อย อย่าไปเดินตามรอยที่เป็นกีบสองกลีบนับให้ดีนะดูให้ดีนะรอยพระบาทของพระองค์เป็นยังไงดูให้ดีอย่าไปผิดรอยอ๋อเนาะคงพอแค่นี้สาหรับวันนี้ใครมีอะไรสงสัยไหมวันนี้พูดเบาๆเป็นอะไรรายการขยายความซึ่งดูแล้วอัธรรถไม่เท่ากับ พระองค์หรอถ้าใครมีบุญได้ฟังพระองค์นะก็ขออนโมทนาสาธ迦เจ้าค่ะไม่ได้พบเสนาน <c oughs> จาไม่ได้เลยถ้าเกิดสติบ่อยแล้วจะทำให้เกิดปัญญาหรือเปล่าเจ้าคะยังสติตัวเดียวยังไม่ไม่ทำให้เกิดปัญญาแต่เป็นองค์ประกอบอันหนึ่ง ที่จะให้เกิดปัญญาปัญญาจะเกิดได้ด้วยองค์ประกอบสองส่วนใหญ่ๆเอาแบบไม่ต้องละเอียดนะก็คือสติเห็นสภาวะแล้วก็มีสมาธิคือมีจิตตั้งมัน่นตอนที่เห็นสภาวะเนี่ยมั น, มนอาจจะไม่ตั้งมั่นก็ได้เช่นเห็นกิเลสแต่ตอนนั้นอนะจิตมันไหลไปหาอารมณ์นั้นแล้วเห็นผู้หญิงคนนี้เห็นหนุ่มคนนี้แล้วเกิดราคะ เห็นราคาแล้วแต่มันจิตยังไม่ตั้งมั่นยังไม่เห็นอาการที่เป็นลักษณะของจิตจริงยังไม่เห็นอาการที่เรียกว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาได้จริงเพราะเพียงแค่เห็นสภาวะต้องต้องมีจิตที่ตั้งมั่นจิตที่ตั้งมั่งคือตั้งอยู่ที่จิตเห็นความเปลี่ยนแปลงที่ผ่านมาในความรับรู้ความเปลี่ยนแปลงที่ผ่านมาในความรับรู้เนี่ยจะ ส่งผลให้เกิดปัญญาเห็นไตร ล, ลักษณ์ในแง่ใดแง่หนึ่งคือเห็นมันเกิดดับไม่เที่ยงเห็นมันเปลี่ยนแปลงไปของมันเองคือเห็นมันเป็นทุกข์เห็นว่าทำงานสิ่งทั้งหลายทังงานเองเป็นอนัตตาจิตที่ไหลไปรู้ทันมันไหลเองอย่างงี้นะดังนั้นเวลาเห็นจิตไหลเนี่ยมันจะได้มีอนันดับสงมากเลยมีทั้งสติ คือเห็นสภาวะความไหลมีทั้งสมาธิคือจิตตั้งมั่นเพราะตอนนั้นเห็นจิตจริงๆเห็นทั้งอาการของมันคือมันทำงานเองตอนนั้นได้ปัญญาคนที่ไม่ได้ชานให้มาดูตัวนี้ให้บ่อยๆจะเห็นตัวนี้ได้บ่อยๆเมื่อทำรูปแบบบ่อยๆมีจิตที่รู้ตัวอยู่แล้วเห็นจิตมันไหลไปฝึกอย่างนี้นะหรือฝึกด้วยการ แกล้งแกล้งให้จิตไหลแล้วดูมันไหลเช่นลุกคนลองกดไลค์กดไลค์กดไลค์ได้ไหมทำมืออย่างเงี้ยยืนนิ้วโป้องออกามาแล้วทำความรู้สึกรู้ตัวอยู่ที่หน้า <c oughs> แล้วไปรู้สังเกตที่เล็บตัวเองเห็นไหมใครตายาวก็ต้องยืนไกลหน่อย ลองดูสิทำได้ไหมรู้ตัวที่หน้าแล้วไปนสนใจที่เล็บแล้วกลับมารู้ตัวที่หน้าแล้วสนใจที่เล็บลองทำสลับสลับเงี้ยแค่สองสาทีนะแล้วพอเห็นว่ามันมีการเคลื่อนได้จริงคราวนี้พอจิตมันไหลไปมันเคยเห็นแล้วว่ามีการเคลื่อนได้จิตไหลไปเนี่ยเราไม่ได้ตั้งใจให้มันไหลตอนที่มีสติแท้ๆนะมันไหลไปโดยอัตโนมัติของมัน เป็นปกติอยู่แล้วเราเพียงก็เห็นมันไหลไปตอนนั้นน่ะไม่มีความตั้งใจที่จะดูไม่มีความตั้งใจที่จะดูไม่มีความตั้งใจที่จะห้ามด้วยมันไหลไปรู้ทันว่ามันไหลใช้ได้เลยขนะนั้นได้ทั้งสติสมาธิแล้วถ้าเห็นว่ามันไหลเองได้นะได้ปัญญาด้วยแต่ยังไม่พอเก็บความรู้นั้นไปอีกเป็นเพียงแค่เก็บข้อมูลให้จิตไปเรื่อย เสริมทั้งสติเสริมทั้งสมาธิและเสริมทั้งปัญญาอย่างนี้ไปเรื่อยๆสติตัวเดียวยังไม่พอถ้าได้สติตัวเดียวคือเห็นความโลภความโกรธความหลงเนยนะมันเป็นเพียงแค่เห็นสภาวะแต่นั่นก็เป็นพื้นฐานอย่างดีมากแล้วทำให้เห็นความไหลง่ายขึ้นเพราะเคยเห็นสภาวะที่เป็นนามธรรมแล้วการไหลของจิตเนี่ยเป็นนามธรรมอย่างหนึ่งแต่นรู้สึกว่าถึงจะเห็นมันก็มันก็คลุกนะคะมัน มันก็เลยมันทอแท้ไหมมันทอแท้ไหมทอแท้นี่เป็นกิเลสตัวหนึ่ง <c oughs> เป็นนิวรณ์อีกตัวหนึ่งเหมือนกันถ้านับเข้าถึงละเอียดแล้วจะเป็นนิวรณ์อีกตัวหนึ่ง <c oughs> แล้วหมายถึงว่าในรูปแบบต้องทําให้เข้มข้นขึ้นอย่างนี้หรือเปล่าคะให้ประจําว่าเข้มข้นเดี๋ยวจะกลายเป็นเครียดไปทําให้ประจําเหมือนกับเราอาบน้ําทุกวัน ทุกวันเราอาตมาคาดว่าเราจะอาบน้ำทุกวันนะก็แบ่งเวลาหลังอาบน้ำนะเวลาที่ร่างกายสดชื่นแล้วจากการอาบน้ำแทนที่จะปลีกตัวเองไปทำธุระอย่างอื่นนะก็เว้นเอาไว้เวลาสักสิบนาทีหลังอาบน้ำเข้าที่แล้วแต่เราจะจัดได้ในบ้านบ้านเรามีห้องพระก็เข้าห้องพระชุดนอนก็ได้ไม่ห้าม ชุดนอนก็ได้แต่อย่าเป็นชุดวันเกิดชุดนอนได้ผู้ที่บรรลุอริยบุคคลนะครับจะรู้ตัวเองหรือไม่ครับว่าตัวเองได้บรรลุแล้วครับเออเท่าที่ทราบเนี่ยเนทะ่าที่ทราบเนี่ยบางท่านไม่รู้บางท่านไม่รู้บางท่านรู้ถึงความเปลี่ยนแปลงอันนั้นว่าใช่เป็นอริย แต่บางท่านไม่รู้ต้องมีการตรวจสอบบางท่านตรวจสอบเท่าที่ฟังมาเนี่ยบางท่านเนี่ยใช้เวลาตรวจสอบนานเหมือนกันบางท่านเป็นเดือนบางท่านก็เป็นสัปดาห์และในถ้าเอาสมัยพุทธกาลเนี่ยง่ายเพราะว่าพระพุทธเจ้าจะเป็นองค์บอกว่าท่านนั้นท่านนี้ได้แต่องค์ที่ได้เนี่ยมันไม่มีคํามาบอกว่า โสดาบันแล้วนะอะไรก็ไม่มีการเสียงกระซิบอะไรแผ่วๆไม่มีเลยเพราะมันเป็นสภาวะความเปลี่ยนแปล ง, ปลงทางด้านปัญญาเป็นความเข้าใจซึ่งไม่เคยเข้าใจอย่างนี้มาก่อนเนี่ยนะไอ้ไอตัวหมายรู้ตรงนี้เนะี่ยบางทีท่านอาจจะไม่ทันสังเกตเห็นแต่ให้ดูอย่างนี้ว่าถ้าเราสมมติว่าสงสัยตัวเองว่าเป็นโสดาบันหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะ งานของพระสดาบันกับงานของปุถุชนงานเดียวกันคือมองออกไม่ว่ายังมีทุกข์อยู่แสดงว่างานยังไม่จบไม่ว่าเราจะเป็นปุถุชนที่กำลังเดินทางสู่เป็นพระอริยะหรือเป็นโสดาบันแล้วแล้วเรายังไม่มั่นใจเลยนะไม่ต้องล้มเลิกไปเลยไม่ต้องหาคำตอบมีทุกข์อยู่ไหมมีทุกข์อยู่ให้ดูทุกข์อันนั้นยังมีกิเลสอยู่ไหมมีกิเลสอยู่ให้ดูกิเลสอันนั้นจิตยัง เคลื่อนยังไหลได้อยู่ไหมยังไหลยอยู่ให้ดูจิตเคลื่อนจิตไหล ย, ยังมีงานอยู่งานไม่จบอย่าเอาว่าเอ้ฉันใช่หรื อ, อยังนะั่นมาเป็นเครื่องกั้นขวางกลายเป็นนิวรณ์นะใช่หรือไม่ใช่ไม่รู้แหละแต่เนี้ยงานยังไม่จบนะงานยังไม่จบยังต้องทํางานต่อทําต่อไปงานเดียวกันด้วยพระสวสดาบัณพระสกิทาคาพระอนาคากับปุถุชนเนี่ยนะ แต่พระนาคาเนีงานท่านท่านเฉพาะเจาะจงล้เอาเป็นว่าพระสสดาบาลพระสะกิทาคาเนี่ยงานเหมือนพวกเรานี่แหละเอ๊พวกเรานี่มีใครเป็นพระสสดบิบาลยังงานเหมือนกับปุถุชนงานเหมือนกับปุถุชนคือดูสิ่งที่เกิดขึ้นกับกายกับใจเหมือนกันพระสสดาบาลพระสะกิทาคายังมีกิเลสเท่าปุถุชน ยังมีราคะมีโทสะมีโมหะเหมือนกันเพราะฉะนั้นอย่ายัว่วอย่ายั่วซึ่งกันและกันบางทีท่านองนั้นองนี้อาจจะเป็นสวสดาบันแล้วไปยัว่วท่านเนี่ยเราบาปมากขึ้นนะแล้วก็อย่าไปอะไรเขาเรียกอะไรอะรียูปะวะทะเรียกล่วงเกิน อย่าไปล่วงเกินคําที่แบบล่วงเกินกันอ่ะบางทีเราหยอกล้อกันเล็กๆน้อยๆยังไม่ค่อยเท่าไหร่บางทีล่วงเกินถึงกับตําหนิตีเตียน mm hmm. การตําหนิตีเตียนด้วยความโกรธความไม่ได้ดั่งใจเนียนะให้รู้ทันกิเลสตัวเอง mm hmm. <laughs> บางทีเรา <laughs> เพื่อนเราเนี่ยนะเป็นนักปฏิบัติด้วยกันเนี่ยนะบางทีเราไม่รู้หรอกว่าเขาเนะี่ยถึงขั้นไหนแล้ว บงีนั่งอาจจะแอบนั่งอยู่ข้างหลังเราก็ได้แล้วเราก็ไม่รู้ให้วางใจประมาณว่าความไม่พอใจที่เกิดขึ้นเนี่ยเราไม่พอใจเองเขาจะดีหรือไม่ดีเอาไว้ก่อนแต่เราไม่พอใจแล้วให้รู้ทันความไม่พอใจของเราเขาอาจจะดีก็ได้แต่เราไม่พอใจเองเป็นไปได้ไหมพระพุทธเจ้าทำอะไรแล้วคนอื่นพอใจทุกคนไหมไม่นะ พระเทวทัตไม่ชอบเลยพ่อพระเทวทัตไม่ชอบเลยนางจินจมามาวิกาไม่ชอบเลยพวกอะไระชีปเปลยเดรธีทั้งหลายไม่ชอบเลยไม่ใช่ว่าคนดีแล้วจะต้องถูกยกย่องจากสังคมทุกคนนะแล้วเราก็อาจจะเป็นคนหนึ่งในสังคมที่ไม่ชอบคนดีก็ได้เพราะนั้นทางที่ดีก็คือเห็นความไม่ดีที่เกิดขึ้นกับใจปลอดภยัย ปลอดภัยเสมอแล้วเราจะเริ่มมองออกแล้วว่าคนอย่างนี้ใช่เพราะเรามองออกจากกิเลสตัวเองแล้วพอเห็นกิเลสตัวเองมากๆเข้าแล้วเนะ่คนอื่นที่เขาไม่ค่อยมีกิเลสเนี่ยเราจะมองออกคนที่ประเสริฐกว่าเราเนี่ยเราจะมองออกคนที่ต่ำกว่าเรายิ่งมองง่ายเลยใช่ไหมแต่เราก็เลือกศรัทธาเลือกนับถือเอาอย่าไปใช้กิเลส คือความโกรธความโลภความหลงแล้วไปแสดงออก pragma คนอื่นให้รู้ทันกิเลตัวเองตัวงานสำคัญคือพยายามย้อนมาสอนตัวเองว่างานของเรายังไม่เสร็จงานเรายังไม่เสร็จอย่าเพิ่งไปจัดการคนอื่นจัดการตัวเองก่อนแต่ถ้าใครมีหน้าที่ในการงานตามปกตินะงานในบริษัทงานในที่ทำงานของเรางานนั้นก็ต้องทา เราก็ต้องคอยแยกแยะว่าลูกน้องคนนี้ทาผิดพลาดอย่างนี้ต้องลงโทษต้องตำหนิติดเตียนต้องทำนะไม่ใช่ว่าเออปล่อยเข้าไปปล่อยเข้าไปานีเละเลยไม่ได้ต้องแยกให้ออกว่างานกรรมฐานคืองานจัดการกับตัวเองแต่งานทางโลกถ้าเรามีหน้าที่ก็ต้องจัดการแต่จัดการด้วยการที่จัดการกับตัวเองก่อนคือไม่จัดการกับคนอื่นด้วยความโกรธ ไม่จัด ก, การคนอื่นด้วยความโลภหรือความหลงหรือราคะโทสะโมหะ <c ười> คือรู้ทันกิเลสแล้วกิเลสดับก่อน <c ười> ไปจัดการกับเขาด้วยปัญญา <c ười> ไม่ใช่อาศัยความโกรธ ไ, ไปจัดการบางคนบอกต้องแสดงแสดงอะไรอ่ะพลังเป็นพลังเพื่อให้เขากลัว แสดงความกลวดให้เขากลัวก่อนจึงจะไปบังคับเขาได้แต่ถ้าเพียงแกล้ ง, ลงเนี่ยได้แกล้ ง, แ, ลงแต่ส่วนใหญ่เราเนี่ยจะเลยแกล้งเราจะเป็นสมบทบาทสมบาทคือพร้อมทั้งจิตและกายวาจาถ้าให้ดีนะให้ถ้าให้ดีเนะี่ยรู้ทันกิเลสตัวเองก่อนแล้วค่อยจัดการกับปัญหานั้นด้วยปัญญาปัญหานั้นบางทีก็อาจจะต้อง ใช้ใช้รางวันเขาล่อบางวันบางทีก็ต้องใช้การขม่มขู่มีการข่มขู่ก็มีบางทีก็มีการลงโทษพระพุทธเจ้าก็มีลงโทษลงโทษพระที่ทําผิดผิดมากลงโทษมากผิดน้อยลงโทษน้อยเป็นอาบัตเป็นลําดับลําดับไปโทษมากเลยให้ไภไม่ได้ปาราชิกคือต้อง ออกจากความเป็นพระไปงลงโทษคนที่สอนยากท่านก็ลงโทษบางคนท่านเคยคุยกับคนฝึกมา้าฝึกมา้าท่านฝึกยังไงคนฝึกมาก้าบอกว่าบางทีก็บางตัวก็ฝึกด้วยความละมุนละม่อมบางตัวก็ลงแท้หน่อยฝึกด้วยความรุนแรงแล้วพระ อ, อ, องค์ก็ถามว่าแล้วถ้ามันฝึกไม่ได้ล่ะฝึกไม่ได้ฆ่าทิ้งฆ่าม้าเลยนะ คนฝึกม้าก็ถามกลับพระเจ้าพระองค์ละ่ะได้ได้ทราบว่าพระองค์เป็นผู้ฝึกบุรุษที่ไม่มีใครยิ่งกว่าเสียงล่ํำลือถึงคุณของพระองค์เนี่ยมาอย่างนี้พระองค์ฝึกคนยังไงพระองค์ก็บอกว่าก็เหมือนท่านนั่นแหละเหมือนยังไงบางคนเราก็ฝึกด้วยวิธีละมุนละม่อมบางคนก็ฝึกด้วยวิธีรุนแรงรุนแรงยังไงเข้าทําผิดแล้วก็ลงโทษแล้วถ้าฝึกไม่ได้ละ่ะฆ่าเหมือนกันเอ็ดดันฟังแล้วตกใจะ พระพุทธเจ้าทำไมฆ่าคนได้ทราบว่าท่านเนี่ยมีผู้มีศีลไม่ทำบาปคือการฆ่าสัตว์แล้วไม่ทำปาณาติบาตแล้วยังมีฆ่าด้วยเหรอแต่เป็นใช่เราฆ่าแต่ไม่ใช่ฆ่าแบบนั้นเป็นฆ่าในพระธรรมวินัยทำยังไงไม่สอนคนที่เข้าไม่สอนแล้วนะคือถูกฆ่าแล้วคนที่ถูกลงโทษว่าจะไม่สอนเนี่ยะ คนที่เราจะรู้จักชื่อกันเลยคือพระฉันนะใช้วิธีลงพรหมมาทันพระฉันนะเนี่ยถือว่าตัวท่านเนี่ยใกล้ชิดสนิทสนมเกิดวันเดียวกันกับพระพุทธเจ้าและเป็นข้ า, าราชบริพารใกล้ชิดวันบวชไม่มีใครไปเลยมีท่านเท่านั้นได้รับสิทธนั้นติดตามพระองค์ไปในวันออกผนวด รู้เรื่องราวตั้งแต่เกิดจนถึงมาบวชจนถึงติดตามมาบวชเองด้วยเป็นพระด้วยเลยคนอื่นสอนไม่ได้รับฟังเฉพาะพระพุทธเจ้าองเดียวพระพุทธเจ้าตรัสกับพระอนุนวันปริธิพานแบอบกว่าเธอจงไปลงพรหมทานกับฉันนะนะฉันนะเนี่ยไม่ฟังคำของคนอื่นเราปริธิพานแล้วใครจะสอนเขาไม่ได้ถ้าเขายัางถือตัวอย่างนี้ให้ลงพรหมทานคือ ให้สงทั้งหลายไม่สอนพอพระพุทธเจ้าไปนิพพานแล้วจัดการเรื่องร้านเรียบร้อยแล้วพระอานนท์ประชุมสงประกาศกับพระชนะว่าต่อไปนี้สงลงพรหมมาทันไม่ได้ไปเคี่ยนตีเลยนะบอกต่อไปนี้สงจะไม่สอนสงคือทั้งหมดเลยนะไม่สอนท่านจะทำอะไรทำไปท่านจะพูดอะไรพูดไปจะอยู่ที่ไหนอยู่ไปสงไม่สอน ตกใจมากช็อกเลยพระช น, น, นะนะจากความถือตัวไม่ฟังคําใครพอบอกว่าไม่มีใครสอนแล้วตกใจช็อกในนั้นบอกว่าสลบเลยสลบฟื้นขึ้นมาเปลี่ยนกราบเท้าขอเข้ามาขอเข้ามาต่อสงบอกว่าก็ผมรละลึกได้ถึงความผิดที่เคยถือตัวไม่เคยฟังคำใครเลยไม่ฟังพระ อานนท์ไม่ฟังภาษาริบุตไม่ฟังพระโมคคัลลาไม่ฟังพระกัสสปะไม่ฟังพระอิอสีติมหาสาวกทั้งหลายถือตัวว่าเป็นผู้ใกล้ชิดพระพุทธเจ้ารอฟังแต่คําสอนพระพุทธเจ้าอย่างเดียวถือตัวเองว่าจะไม่ฟังคำใครเพราะเป็นเป็นคนสนิทใกล้ชิดระลึกได้ถึงความผิดของตัวเองแล้วขอกลาบขามาต่อสงข์ขอสง์จงกตโทษอันนั้นกราบขอเข้ามา ขอกราบนั้นพระทั้งหลายท่านเห็นแล้วว่าสำนึกจริงขอเข้ามาจริงขอเข้ามานั้นท่านก็ยกโทษให้เลยพอขอเข้ามายกโทษให้พระชันนะเป็นพระอระหันต์โอ้ประหลาดมากเลยแค่เห็นความผิดนะแค่เห็นความผิดและขอเข้ามาด้วยความสำนึกผิดอย่างจริงใจเห็นมันกระทบใจมากนะ ไม่มีใครสอนแล้วแล้วพระพุทธเจ้าปริงนิพานแล้วด้วยแล้วสงประกาศเลยว่าไม่มีใครสอนคุณแล้วนะเราลงโทษด้วยวิธีพรมมาทันว่าไม่มีใครสอนอยากทำอะไรทำอยากพูดอะไรพูดอยากไปไหนไปตกใจเป็นลมเลยเวลาขอเข้ามานะให้ขอเข้ามาให้นึกถึงพระชนนะก็ได้สนึกผิดต้งนั้นจริงๆสนึกผิดจริงๆแล้วได้ผลจริง ในผลจริงแล้วท่านก็เป็นพระอาหารหันต์ในวันนั้ น, น, นเลยท <c oughs> <c oughs> ำบุญแล้วแบ่งบุญมีบุญแล้วมีความปลื้มใจปิติใจในบุญกุศลที่ทําแล้วแบ่งบุญกุศลนั้นให้กับหมู่ญาติของเราบุญทั้งหลายที่ทําแล้วขอเป็นเครื่องบูชาพระรัตนตรยัยบูชาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระพุทธเจ้า ในทรงแสดงธรรมทําให้เราได้รู้จักวิธีทาบุญขอบูชาพระองค์ด้วยบุญกุศลที่เราได้ทําแล้วในวันนี้และจะตั้งใจปฏิบัติบูชาพระองค์สืบไปบูชาพระนรตะไตร่บูชาผู้มิปากคุณคือคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายผู้อุปถัมภ์เราตลอดชีวิต ท, ที่ผ่านมาบูชาแด่ พระบาสทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้ทรงคุณต่อประสบนิกรชาวไทยทั้งประเทศขอให้บุญกุศล น, นี้เป็นเครื่องบูชาของแด่พระองค์ให้พระองค์มีพระชนมายุยิ่งยืนนานมีพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์เป็นมิ่งขวัญเกาะต่อประสบนิกรชาวไทยเป็นกำลังแห่งชาติเป็นสาสนูปถัมภก ให้ยืนยาวต่อไปแบ่งบุญกุศลนี้ให้กับเทพ ย, ายดาทั้งหลายเทพ ย, ยดาที่ปกปักรักษาสถานที่แห่งนี้ก็ดีปกปักรักษาประเทศชาตินี้อยู่ก็ดีขอให้เทวดาเหล่านั้นจงมีกำลังมากขึ้นให้ท่านได้มีกำลังในการดูแลคนดีให้คนดีได้มีโอกาสทำดียิ่งขึ้นไป ให้คนดีในแผ่นดินนี้ได้มีกำลังสามารถขี่กันทำความเจริญให้กับแผ่นดินนี้ยกย่องพระพุทธศาสนาแผ่เมตตาออไปจนถึงสรรพสัตว์ทั้งหลายบรรดาสัตว์ทั้งหลายที่เราได้เคยล่วงเกินเราเคยล่วงเกินใครด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจขอบุญกุศลอันนี้จง เป็นเครื่องยืนยันถึงความสำนึกในความผิดของเราขออุทิศบุญนี้ให้กับท่านท่านเหล่านั้นจงรำมารับรู้บุญกุศลที่เราทั้งหลายตั้งใจอุทิศให้นี้ขอท่านทนาจงมีความสมนัดยินดีในบุญกุศลที่เราอุทิศให้นี้ถ้าแม้ถ้าท่านเหล่านั้นไม่รับทราบขอฝากข่าวบุญกุศลต้นนี้ไปกับเทพ ย, ายดาทั้งหลาย ฝากไปกับพระแม่ธรณีไปบอกกับบุคคลเหล่านั้นให้มารับรู้แล้มาอนุโมทนาอุทิศให้กับเหล่าสัตว์ที่ยังมีทุกข์สัตว์ใดที่มีทุกข์อยู่จงโปรดมารับรู้บุญกุศลที่เราอุทิศให้แล้วด้วยความเต็มใจขอท่านทั้งหลายจงมีความดีใจในบุญกุศลเหมือนกับได้ทําเองเราทั้งหลายในที่นี้ได้ทําบุญแล้ว ด้วยการให้ทานการรักษาเสียงการเจริญภาวนามีความปลื้มใจปิติใจอย่างไรขอท่านมีความปลื้มใจปิติใจอย่างนั้นขอให้ความปิติใจนั้นจงเปลี่ยนท่านสู่ภพภูมิที่ดีขึ้นสู่สุขติแผ่ไปไม่มีประมาณกับสรรพสัตว์ทั้งหลายแสดที่มีทุกข์ขอให้พ้นทุกข์แสดงมีสุขให้สุขยิ่งขึ้นไปเราทั้งหลายในที่นี้ก็ตั้งใจที่จะเจริญ ในพุทธศาสนาศึกษ า, าคอยคาของพระพุทธองค์แลนมาปฏิบัติให้เห็นผลเพื่อความปนทุกข์ด้วยกันทุกท่านทุกคนย่าตาวริวาปุราปริปุเรนติสากรังห่วงน้ำที่เต็มย่อมยังสมุทรสากรให้บริบูรณ์ได้เช่นใดเอวะเมวะอิโตจินังเปตานังอุปกะปฏติ ทานติทานนุติศให้แล้วในโลกนี้ยอมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ตละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิจจิตั้งปฏิตังตุมหังขออิทธาผลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วกิปะเมวัสมิชชะตุจงสำเร็จโดยฉับพลันสัพเพปุเรนตุสังกปากอความดาริทั้งปวงจนเต็มที่จันโทปนรโสยตา เหมือนประจันท์ในวันเพ็ญมณิชโชติระโสยตาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวัยกวรยินดีปะวัตุศัพ ป, ปะมังคลังขอศัพ ป, ปะมงคลจงมีแก่ท่านรักกันุสัพ ป, ปะเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านศัพ ป, ปพุทธานุภาเวนะด้วยอานุภาแ่งพระพุทธเจ้าศัพพธรรมานุภาเวนะ ด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สทาโสธิปปวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อ